เมื่อวันจันทร์ที่สองมีนาคมพศ2513ณวัดป่าบ้านตัดจังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวยานสัมปันผน้ปฏิบัติศาสนาปัหาที่ทำนี่ไม่ได้นี่ปฏิบัติพระศาสนามันนี่ไปสสกปีแล้ว ยิ่งปฏิบัติเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นความมาจรริตันของศาสนาความมาจรริตันของพระพุทธเจ้าปฏิบัติกิจจะยิ่จะรู้ให้ิจรู้แล้วอยากเข้าไปเท่าไหร่แล้อยากเข้าไปเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดนั่นแล้วไม่ยอมมรพุทธเจะาิดตรงความจริง น, นั่นจะยอมเทนั้นรู้ตรงไหนก็ เป็นเรื่องที่เขาอสอนไม่เหมหือนเราแล้วจะข้านที่ไหนนะจะข้ามเนี่ยสมาธิเราก็เห็นแต่สมาธิในแบบที่ท่านถอดออกมาจากใจมาเขียนในตามาตำลาั น, นั้นเป็นสมาธิในตำลาไม่ใช่สมาธิตัวจริงแล้วก็อ่านในตำลาพกเขียงกันนล่เป็นสภา มวยสีปากกันเราปฏิบัติจิตให้มันเป็นสมาธิดังที่ท่านสอนว่าจริงๆแล้วจะเป็นที่ไหนท่านจะเป็นที่ใจไม่มีทางอื่นเป็นที่เป็นของสมาธิฐานสมาธิไม่มีที่อื่นนอกจากใจไม่ว่าจะเป็นสมาธิประเภทไหนอย่าแฝงเอียภิกิจนั้นนั่นแหละเป็นฐานที่เกิดขึ้นที่ตั้งอยู่และผู้ทรงสมาธิทุกขั้นนะมีสมาธิในหลักธรรมชาติ แิสมาธิท่านเห็ น, นมันเป็นตลาดนักํารท่านเอาชื่อพอดเอาปะจปิดใจนี่และแสดงลักษณะของสมาธิที่เป็นขึ้นจากจิตของผู้ปฏิบัติว่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้เร mm hmm. เรียนวานั้ น, น, นแล้วไปเถียงกันเลยตัวไม่สราบ่ไหนได้แต่ลมไปเถียงกันเรียนมาทาไงยิ่ยงเสียงกันมากสําคัญในตัวรููตัวตลาดเลยนั่นก็เป็นพิถีมานะ เรียนมากรู้มากเท่าไรก็ยิ่งเป็นที่ถีนะ่มานามากขึ้นเพราะความจเถือความจํำนั่นเป็นของตนแมอถือความจินเป็นเรื่องของตนการปฏิบัตินเพื่อถอดถอนที่เดชที่ถีดมานะมันจริงผิดกันอย่างมา ก, การรู้ตามความจริงกับรู้ตามความข้ามหายผิดกันคนละโลกเลยเพราะเราก็เคยเรียนเราก็เคยรู้รู้ตามความจดจำแล้วมาปฏิบัติอีกแล้วก็รู้ รู้ทำน้ปฏิบัติตามกําลังของเราเช่นสมาธิเป็นยังไงเราก็รู้คุณภ า, ายในจิตใจนี่จะเทียบตามแบบตำหนักตำราท่านท่านพูดก็โดยถูกต้องแล้วแต่จิตน้องๆไม่ถูกเฉยๆจึงไม่เห็นสมาธิว่าเป็นยังไงเห็นแต่อยู่ในหนังสือตัวสมาธิเป็นไปยังไงไรเราไม่เห็นไม่เจอพอปฏิบัติจิตนี้เป็นสมาธิคุณแล้วจะมีจิตเถียงท่านที่ตรงไหนไม่มีพนธีมาไว้อย่างละเอียดแล้ว ในการปฏิบัติจิตจึงเป็น ต, ตุดสําคัญถูกตามความมุ่งหมายของศาสนาที่สอนจิตดีแล้วกายวาจามันดีไปตามอันนี้เป็นเครื่องมือเท่านั้นจะพูดแต่ใจไม่บ่งการดีชั่วออกมาจะพูดได้ไจะทําก็เหมือนกันใ จ, จต้องเป็นผู้บ่งการมาแล้วก่อนการทําดีทำชั่วถึงจะแสดงตัวไปได้ถ้าจิตจะได้รับการอบรมมาด้วยดี วิทยาที่แสดงออกทางกายวาจาจะต้องน่าดูน่าชมผู้เกี่ยวข้องก็ให้รับความย็นไม่เพียงแต่เกี่ของเท่านั้นแสดงว่าในตำรานของปัญญาปัญญามีกี่ขั้นก็ทอดเอามาจากจิตไปเขียนเอาไว้เหที่จะเขียนไว้เพราะหากว่าท่านผู้ที่รู้เหล่านั้นได้ผ่านไปเสียจะไม่มีร่องรอยเลย ต้องเขียนเอาไว้เหมือนกับว่ารทำแบบ แ, บบแปนแผนถังเอาไว้แต่เราต้องทราบว่าแบบแปนแผนถังเป็นอันหนึ่งตัวบ้านตัวเรือนจริงๆเป็นอันหนึง่งมันไม่ใช่ว่าเขียนแปนมาแล้วจะสาเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาทันทีอยู่หลับนอนกันอย่างสะดวกสบายทีเดีวยวโดยไม่ต้องไปปลูกเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาอย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยเรื่องของสมาธิในแบบกับแปลนบ้านแปลนเรือนเหมือนกันอย่างนั้น เราต้องการเราต้องทําตัวของเราเนี้ให้เป็นสมาธิตัวจริงขึ้นมาเหมือนคนที่ปลูกบ้านทถูกตามแบบแปลนแผนผังน่ะ น, นั่นเป็นแปลนแปนของสมาธิแปลนของปัญญาแปลนของยิมุตพระนิพพานอยู่ในแบบตัวจริงของสมาธิตัวจริงของปัญญาตัวจริงของมักผลนิพพานอยู่ในจิตเพื่อจะผู้ปฏิบัติเอา เหมือนยังบ้านเดือนเกิดขึ้นจากผู้ก่อสร้างทำแปลนนี่ต้อไม่ได้ปลูกให้เป็นไปตามแปนเราจะไปนั่งนอนแปลนก็ไม่ได้นั่งนอนแทนบ้านแทนเดือนมันไม่ได้เพรบแปลนเป็นอันหนึ่งบ้านเดือนเป็นอันหนึ่งเราชี้บอกเรื่องการปลูกบ้านปเดือนเราจะยังไงให้เป็นไปตามแปลนั้นมีการปฏิบัติจิตใจจะทำยังไงให้เป็นไปตามแปลนที่บอกไว้นี้แปลนสีกแปลนสมาธิ แปลนปัญญาแปลนมิมุตเนี่ยหลักใหญ่ให้พากันเข้าใจว่าทะเรียนลงไปที่นี่เห็นตามความจริงแล้วหาที่ค้านไม่ได้ปลูกบ้านให้ปลูกตามแปลนแล้วจะทำหนีที่ไหนการปฏิบัติตัวเองให้ถูกตามแป ล, แล น, น, นปปลของศีลแปลนของสมาธิแปลนของปัญญาที่สงสอนสั่งสอนมาแล้วไม่มีอะไรที่จะค้านตัวเองและเย็นใจสมาธ ศาสนาเป็นที่อบรมให้บุคคลมีความเยี่ยมชั่งปุ่นหนึ่งคือแปลนหาความสุขแปลนแห่งความสุขก็คือศาสนาเนี่ยดาเนินตามแปลนนั่นเองท่านสอนว่าคารวะควรปฏิบัติตัวยังไงก็ปฏิบัติตามศีนทำของคารวะก็เลยแบบเป็นแปลนอันหนึ่งออกจากศาสนาอันเดียวกันพระเรามีหน้าที่อะไรจะต้องปฏิบัติตามแปลนของพระ ตามความมุ่งหมายของพระก็ปฏิบัติให้ถูกความสุขก็ต้องปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับลำงงนาตตามหน้าที่ความสามารถของตนที่ทําได้มากน้อยเพียงไรไม่เสียผลเสียประโยชน์ใครถ้าไม่มีความสงบบ้างแล้ไม่มีความถูกเนะีย่ยร้องโดนโวยกั น, กนย่ดยึดระมดทั้งวันทั้งคืนหลับตื่นไม่หยุดไม่ยัง้ง คิดจุ่มคือทํางานทั้งทั้งเหวลาทั้งกลางวันกลางคืนทายินความสงบเย็นใจบ้างมองเห็นความสุขของใจบางทีว่าใจเร้ปล่อยวางงานทั่วขนาดเหมือนเราปล่อยวางงานในวันขสาวัอาทิตย์วันราชการวันไหนก็แลแต่สบายมีจิตใจที่ปล่อยวางความวุ่นวายวุ่นบายกระจันตนมาตลอดกลางก็สมาย เพราะฉะนั้นศาสนาจึงเป็นเียงทิศที่บอกความสุขให้คนดําเนินให้เจอไม่ใช่คิดทําลอกหลอกลวงเรียนกันบอกอยินด้วยผู้ปฏิบัติตามนั้นก็เห็นยินด้วยเพราะผู้บอกผู้สอนนั้นเป็นผู้ที่เห็นมาแล้วคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ดําเนินมา ก, ก่อไม่ว่าจะเป็นความสุขประเภทใด ออกจากหลักาปนาแล้วพระพุทธเจ้าทรงค้นพบไปหมดจนถึงความสุขที่เรียกว่ามุทธะนิพพานเป็นบรมมาสุขออกจากหลักขันโศขาประธรรมนี้ทั้งน้นนนปฏิบัติจวันทำพันมั่นแต่หนักแน่นต่อการปฏิบัติของตนให้เป็นยิ่ดอนดอนดที่เป็นพ้นสุญันั่นแหละธรรมจะอยู่ที่นั่น อันไหนที่ชอบชอบดมากเป็นเรื่องสนุนไปเลยคือทําสคล้ายๆกันว่าเป็นสิ่งที่ฝืนๆอยู่ทำาห้คล่องจิดคลองใจเลยมากเลยเป็นเรื่องคาสิกมันชอบนะมนคนไข้ชอบรัของสแสลงจิตมันเหมือนไข่เต็มตัวเลยจึงชอบของสแสลงตลอด รรเวลาาเข้ามาแก้ทรรมโอสพมันพุ่งชานวุนวายก็แก้โดยสมาธิรือปฏิบัติตจิตใจที่เรากำหนดภาวนาการภาวนาบทบริกรรมคำภาวนาก็คือเครื่องถูกมัดจิตใจไม่ให้ส่งระสู่อารมณ์ภายนอกขึ้นเคยเป็นข้าสิดแล้วท่านติดตั้งใจตั้งสติกำหนดตามทำบริกรรม นำคำวิกรรมมาํากับผูกมาตจิตไว้ให้จิตมีความรู้สึกอยู่กับอารมณ์หรือคำวิกรรมเนื่อสืบเนื่องกันเป็นลำดับเพื่ออำนาจของสติประคับประคองอยู่แล้วความสงบเย็นใจจะปรากฏขึ้นมาอ่าเห็นผลการปฏิบัติธรรมเห็นผลอย่างนี้คือสงบใจเย็นสมาให้ขณะที่สงบสมารจริง สมาธิมีถึงสามขั้นเท่าที่ปฏิบัติมาต่เป็นขั้นใดก็าตามเตอะเป็นขั้นใช้ความสุกตรงนั้นมีเพียงว่าหยาบละเอียดต่างกันนี่ระยะขั้นยาต่างกันถ้าเป็นสมาธิขั้นละเอียดทัานเรียกว่าปัญญาสมาธิสงบละเอียดมาปัญญาก็มีถึงสามขั้น ปัญญาอย่างกลางอย่างละเอียดปัญญาคือเครื่องถอดถอนที่เดียกตามว่ารับแต่ส่วนอยาเข้าไปถึงส่วนละเอียดสุดมีปัญญากสติเท่านั้นสามารถจะตอบต่อได้แล้วมีความเพียรที่สัมพยุ่งด้วยสติกับปัญญาัน้นจะสามารถค้นพบความจริงได้ในตัวเองทงางเก่า ใม่เรื่องของทุกข์ท่านเป็นเป็นสัจธรรมท่านไม่ได้หมายให้เอาทุกข์นะแต่ให้ไปเรนรับทุกข์ทุกข์เป็นเครื่องเตือนสติสตังของคนถ้ให้หาหลักยึดเหมือนยังเราเข้าป่ากเข้าล็อที่ไหนเห็นว่าไม่ปลอดภัยแล้วก็เตรียมเครื่องมือไปทำเพื่อป้องกันตัวเช่นปืนป่านั่นเขาเข้าปากมน ประการฐานใดที่ใดเห็นว่าเป็นที่ไม่แน่ใจก็ต้องมีเครื่องป้องกันตัวติดไปด้วยนี่เราทุกไม่เป็นสิ่งที่ใครๆปราถนาแมท่ทศก็ไม่ต้องการนี่ท่านจึงให้พิจารณาการพิจารณาคือหาเครื่องป้องกันตัวพิจารณาทุก ผลที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาทุกนั้นเป็นความรอบครอบเป็นความสุขไปไม่กังวลวุ่นวายกับทุกไม่กลัวทุกเพราะเห็นทุกเป็นของจริงเพราะเราเป็นคนกินทุ่นจากการพิจารณาทุกโดยรอบคอบแล้วนะไม่ใช่เอาทุกนะพิจารณาทุกเพื่อจะให้รุ่งเหยิงตัวที่ไปเกี่ยวข้องที่หลงทุกกลัวทุกวุ่นวายกับทุกถอนตัวคขา มาสู่ความปิ่นของตนทุกก็เป็นความปีนของทุกแล้วก็สมายแต่เราได้ปฏิบัติต่อทุกนี้มาถึงขีดถึงแดนแล้วเราจะกลัวอะไรกลัวตายคนเรากลัวตายคือกลัวทุกคนเองเพราะขณะจะตายมไม่ชเชยเื่อๆขณะถึงตายได้ช่องอดช่องทนดูใครจะไปตายมาทุกขนาะนี้ ทำในอบรมจิตใจด้วยแล้วสติสตังมีเชอทั้งหมดยืนยนีิยืนตัวแล้วม่เพิ่ฝันขนาดนั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าทุกเป็นยังไงอะมันเลยเลยขีดไปแล้วาการปฏิบัติจิตใจนี้นรู้เรื่องของทุกได้ดีและอาจถามด้วยนี่เ ค, เคยปฏิบัติมาแล้ว ในลราเรานั่งทนานานๆทุกเวทนาแสดงขึ้นในกายเหมือนกับเป็นไฟทั้งกองดีู่เลกายของเราเป็นทุกทั้งหมดปัญญาหมุนติ๋วอยู่นั่นไม่ให้ออกค้นหาเรื่องของทุกเกิดขึ้นมาจาก อ, าากอะไรถามถึงอวัยวะต่างๆ อันไหนอันใดจะเป็นตัวทุกข์จริงๆยืนยันตัวว่าเป็นทุกข์ค้นหามันก็ไม่เจอหนังหรือเป็นทุกข์หนังก็มีตั้งแต่ทุกอย่างไม่เกิดอืเนื้อหรือเป็นทุกข์เส็นหรือเป็นทุกข์กระดูกหรือเป็นทุกข์หรืออวัยวะส่วนใดเปจริงๆภายในภายในค้นหาตัวทุกข์จริงๆมันไม่เกิดไม่มีเพราะสิ่งนี้มาจากตัวทุกข์ หนังเป็นหนังนี่เปนนี่เอะไรว่าทุกข์เกิดตามเป็นความมีตามสภาพของคนนี่อยู่ทั้งแต่ทุกอย่างไม่เกิดขึ้นแม้ทุกดับแต่แล้วสิ่งเหล่านี้ก็ยังมีถ้าว่าเป็นตัวทุกข์จริงๆทุกเกิดขึ้นสิ่งนี้สิงจะปรากฏทุกดับไปส่วนอนี้ก็าต้องดับไปตามแต่นี้ไม่ดับไปเวลาเราเรานั่งนานๆเกิดความทุกข์หม่อันนี้มันมีอยู่ตั้งแต่เราเริ่มนั่งยึดตั้งแตบวันเกิดทุกประเทศนี่ทุ่นเกิดมาในขณะ วเวลาทุกนี้ดับไปอาการเหล่านี้ก็ยังมีอยู่ น, นี่ถ้าเป็นทุกข์อันนี้เป็นทุกขินทำไมอันนี้ไม่ดับไปด้วยเราน้องก็ได้ความกรินขึ้นมาจากการคน้นคิด อ, อย่างนี้นา ก, การพิจารณานี่มันต้องรู้ใจเด็ดเดี่ยวอดหา น, นเป็นกับตาเขาหมุนอยู่ในนี้เลยพิจารณานเข้าไปตรงถึงจิตหรือจิตหรือเป็นตัวทุกข์แยกหาอีก มันก็ไปพัฒนาเดียวกันทุกเกิดขึ้นทุกดับไปจิตมันก็มีอยู่ไม่มันไม่ได้เกิดไปดับไปด้วยปัญสติมันต้องจ่ออย่ น, นเหนีกดย้อนหน้าย้อนหลังพัฒนาไปพัฒนาอาที่เห็นเป็นความจริงสักแต่วาการไม่ใช่ตัวไอตัวทุกข์นั้นก็มาจากจิตแต่อาศัยจิตเกิดขึ้นสอาไม่ใช่อันเดียวกันพอรู้ใช่ทุกข์มันก็หนักดับไปนหมดในขณะ น, นี้น จิตมันอะไรอย่างเต็มที่เกิดความอาฝายหามแม้ทุกข์ให้ดับไปมันก็ไม่กลัวเพราะจิตกับทุกข์มันไม่เป็นอันเดียวกันมันไม่ค้าเข้ า, ขากันต่างอันต่างอินทุกเกิดขึ้นที่วงไหนก็เห็นมันเป็นความปีนังใจที่รู้ก็รู้อยู่อันหนึ่งมันไม่ไปค้าเข้ า, ขากันไใจก็เลงเป็นทุกข์ถึงกลางกลางจะ จนทุกขนาดที่แบบจนตัวสั่นใจมันก็ดีๆนีมันแยกกันออกได้นี้ก็เกิดความ อ, อาถารไปถึงวาระสุดท้ายคือขนาดจะตายทุกเรานี่เวลาที่จะผหมตัวเข้ามาบีบบังคับผาดขันจนถึงกับต้องสลยหน่ายไปถ้าไม่มากขนาดนั้นจะตายไปไม่ได้คนเนี่ยสัก สติปัญญามองเาเป็นอย่างไงก็เราเชื่อแล้วในขณะนี้สติปัญญานี่สามารถแยกระหว่างทุกข์กับทิพย์ออกจากกันได้ส่วนร่างกายกับส่วนทุกข์ถึงจะอยู่ด้วยกันก็เป็นคนทล่ชั่วอันใจก็เป็นส่วนทุกข์เป็นส่วนกายเป็นส่วนมันแยกกันได้อย่างกระ จ, จัดกระจายคากลัวตายกันเลยไม่มกลัวทุกข์ก็เลยไม่มี ได้ความจริงขึ้นมาเออถึงเวลาสุดท้ายบางเขาจะเอาทุกวันนี้เลยมาแสดงไม้เอาจะทุกแตกหน้าเปลี่ยตามาสายไหนต้องทุกที่เคยแสดงนี่แลหละแบบนี้เราได้รู้แล้วให้มีอะไรที่จะมาทำลายอีกใจขอเราให้หวันหน่นไหวไปได้ีออ่มันแน่ใจแล้วแน่ใจตลอดการมันยไม่ได้เป็นเพียงขนาดนั้น ยิ่เดียว่าเห็นของจริงต้องเห็นถ้าเห็นแล้วถอนไม่ออกถอนไม่ขึ้นเขียนแล้วลบไม่ออกคือรู้ความจริงรู้ถึงใจจริงจริงแล้วลบไม่ออกถอนไม่ขึ้นท่านถึงเดียว่าของจริงเห็นแล้วถึงใจรู้ให้ถึงใจรู้ให้ถึงของจริงเมื่อต่างอัานต่างจิงแล้วมันก็หมดปัญหาไม่ตื่นเนต้นจะเป็นก็เป็นสไตล์ก็สไตล์ ไม่เห็นความจริงเท่าไหร่ข้าวจะวันไหน่อยแต่การมันไหนอยูอย่แต่แสดงว่ายังไม่เห็นความจริงยังตื่นเต้นการปฏิบัติธรรมมาโดยทางใจนี่เป็นสิ่งที่มั่ น, ใในกันคือมันง่ายๆเลยรับรองตัวตัวได้โดยไม่ต้องประกาศให้ใครทราบเป็นสิ่งที่มั่นใจแน่ใจได้ทำปฏิบัติให้ได้เก็นร้อยเปอร์เซ็น รับรองตัวเองได้ร้อยเเซ็โดยไม่ต้องเประกาศให้ใครทราบเพราะเป็นประกาศทิจิตรที่อยู่นตัวราะสมบัติอันนี้ไม่ใช่สมบัติประการโคตรสมาขายเหมือนสินค้าพราะไม่สินค้าเขาดูของขาเขากินของขายข้งอย่างีผู้มาเกี่ยวข้องสนทนานึกเตือนใหญ่ละเอียดแล้วอธิบายให้ฟังเท่าที่นั้นจะสามารถรับออกกัได้หมทีไม่สามารถ ก็ต้องเก็บเอา ไ, ไว้กาอธิบายข้ามประมุขก็ไม่ได้ถึงคือ ถ, ถามถามถึงจีดถึงแดนก็อธิบายให้ฟังอย่างถึงจีดถึงแดนมันมสัตยยากนะนะั่นแะกาปฏิบัติแต่เราอยากถือคำว่ายากนี่มาเป็นอุปสรรคมาเป็นเครื่องจีดขวางทางลำเนินของเราพระพุทเธเจ้านั่นเป็นพระองค์แรกนะที่ยาก ฝากาครทัง้งหมดเราเคยเห็นไค่เหลือในตนลับกันยาไทยบ้างบรรดาที่เป็นสาวโบของพรธธะพุทธเจ้าตลอดมาถึงพวกเรา้รับความทุกข์ความลามบากทรมานถึงต้องเสื่สลายไปถึ ง, ปงสามครั้งเหมือนพระพุทธเจ้าเคยมีไหมไม่มีคนขนาดสลบแล้วจะไม่ทุกข์อย่างไรหรอกใครจะได้เสื่ได้ไหมว่าไม่เป็นทุกข์แต่สลปเสปืเ่อม ในประวัติก่อนสลบไปถึงสามครั้งไม่ทุกไปสลบได้ขนาดทุกคนสลบเลยนั่นกวาดตาหยากหรือไม่ยากเราต้องนํามาเป็นข้อคิดเป็นคติสำหรับพวกเราสมกับว่าพุทธังสงังฆาฉันถือพระพุทธเจ้าเป็นแสนเอามาเป็นหลักใจทั้งถือพระองค์เป็นที่พึ่งทั้งถือคติ จากพระองค์มาเป็นหลักใจเพื่อดําเนินของผมนี่ชื่อว่าทุกธทางฉันนังกระชัมแล้วไม่ใช่จะยากเพราะเราคนเดียวเราต้องคิดออกไปวงกว้างเราพระพุทธเจ้าเป็นทังกษัตริย์นี้ความสมบูรณ์เพื่อนเจ็บเพื่านหยาบเโดยว่าะเราเป็นคนอนาถาไม่มีที่พปลงเปลใส่ไม่มีใครตามผงตามเสียเรอยู่ในป่าศาสนาไม่มีไม่ทราบว่า ผลของการไปไงศีลไปไงภาวนาไปไงประชาชนเขาไม่ทราบพอที่เขาจะต้องแสวงหาของดีของดีไปถวายพระพุทธเจ้าให้เด็กคนเขาหนึงของดีของดีที่พระักกี่เยอะใส่เสด็จขนายเขาอยู่ตามประเุทธคนณานาถาด้วยดีนี่เองนั่นเป็นอย่างนั้นจะไม่ทุกอย่างไรเล่าขนาดสัตว์เซตตระกูลหม่องนั้นต้องทุกข์เยอประมาณนี่พระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แล้ว เรื่องความทุกควารลำบากท ร, รมานทารากังไม่ใช่แต่พวกเราเราต้องถือคติมถือว่าพรื่องขพุทธเจ้ามาเป็นคติเรื่องสอนใจให้มีความอดถามหน้าลยเข้มแข็งอดทนต่อความดีที่เราจะต้องบาเพ็ญให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นหลักใจของตนเองทม<ำ>ของพระพุทธเจ้าก่ ทำก็ตายถ้าสลบไม่ฟื้นก็ต้องตายพอฟื้นกลับขึ้นมาทำก็เกิดทำก็ตายพระสาวกที่เป็นกษัตริย์ตรงนี้เลิกออกบวชเสกีคดุมตีตสัข้าสามบดีมีจำนวนมากคนนั่งมุงทั้งคนเป็นทั้งคนทั้งถึงทั้งต่ำ ออกมาเป็นสักระยบุญแล้วมีความลำบากลำบากเหมือนกันหมดเพราะมีขอบเขตมีกฎเกณฑ์มีหลักธรรมมีในเป็นเครื่องบังคับจะทำตามเพลิดเพลไม่ได้ถ้าอยู่จะไปจะกจะสามท้าสอยต้องมีกฎข้อบังคับมีขอบเขตเมื่อเป็นไปนั้นจะไม่ทุกข์ยางไงเป็นมีรู้วกันอยู่เสมอนนไม่เป็นไปตามใจชอบนี่แหละสาระนของพวกเรา ร่วนแร่แต่ท่านผู้รับความลาบากมาแสงตาเหมือนกันเถอะเลยผู้เราดําเนินก็ดําเนินไปทางสายเดียวกันนี่จะไปคว้าเอาความสะดวกสบายนอนอยู่ก็ได้เมือ่อผล่ผ่านมาได้ยะงนั่งอยู่ก็ได้นอนดูก็ได้ไม่ต้องทําความเพียรก็ได้นึกอะไรก็ได้อย่างนี้มันก็จะไปยากอะไรนนึกเอานึกเอาก็ได้มื่อผลยุภาณาทั้งโลกยกกันไปหมดทั้งโลกยัมีใครอยู่ในโลกนเอะ ว่าคว้าเอาคว้าเอาคว้าเอาเหมือนเก็บท็อแกงแกลงโมอยู่ในตลาดเพราะงั้นเราต้องต้องเอาเงินได้เขานะคว้าเอาคว้าเอาไม่ใช่ไม่ใเนี่ยเราต้องคิดท้ายเท้าผลเพื่อการดําเนินของเราโดยความสะดวกยาได้มีสินได้มาเป็นอุปสรรคขัดขวางโดยมากกับความคิดนั่นล่ะ ความคิดที่เกิดขึ้นจากตัวนั่นแหละเป็นเครื่องจีดขวางตัวเองหากว่าไม่ใช้ความคิดอีกแง่หนึ่งเป็นเครื่องบุกเบิกทางให้ดาเนินไปสเสด็จความคิดขัดข้องเกิดขึ้นมาเอาความคิดแก้ไขเข้าไปแก้กันมันก็ไปไม่พอจะนั่งทอนเอาลาําบากข้งบนนีน่อันเป็นความคิดที่กีดขวางแล้วก็ต้องถามผิดเป็หหนมันหัน ทำอะไรเป็นไมบานอนน่าะมาเหลือก็ต้องถามถามตัวเราหละนอนน่าสมายนอนสบาได้ไหมมาฝุ่นผ่านได้แล้วได้ประโยชน์หลังไม่ได้แ น, น่ <c oughs> ถ้าเราเคยนอนมาแล้วไม่ใช่หลือถ้า ไ, ได้อะไรบ้างพอจะมาทำเป็นเดินกรมหยัหยอกสองสามเก้าแล้วก็เหนื่อยนั่งภาวนาห้านาทีสิบ น, นาทีก็เพียไม่ไหวเก็บนุ่นปวดนยูแล้วเราถ้าเป็นคนขี้ขลาดหวาดตัวต่วตวตวอความทุกข์ขนาด น, นี้ S 1> <S 1> เราจะหวังเอามาผมิการจากอะไรที่ไหนหนาอุบายวิธีแก้ตัวเองต้องมีสังขารนั้นเป็นได้ทั้งฝ่ายมาัดเป็นได้ทั้งฝ่ายสมุทยัยคือเป็นหน้าบ้านได้ทั้งฝ่ายขีดทําการขีดฝังตัวเองเป็นได้ทั้งฝ่ายบุกเบิกทางให้ตัวเองดำเนินไปได้ความเป็นบอกคําว่าสมุทัยก็ขีดสังขารฝ่ายผูกมัดขีดฝังตัวเองคําว่ามากๆก็ขีดสังขารฝ่ายแก้ฝ่ายบุกเบิกทางเป็นเครื่อง เป็นให้เป็นทางดําเนินที่สะดวกสำหรับเราก็เกิดขึ้นจากกาสังขารเดียวกันสังขารไฟต่ําก็ท่านเรียกส่มีไทยสังขารายสูงเครื่องแก้ตนเองท่งานก็เรียกว่ามัชมัชค้าปฏิปทาวิชาสองว่ามัชโคมัชโคมีองค์แปดนะสมาทิฏฐิสัมมาสังกปโปสมาเกิดมาตั้งที่มาสมาธิเป็นที่สุดมีท่านเรียกว่ามาัคมัชโคแปลว่าทางทางดาเนิน ให้เป็นปลาเพื่อความเกษมสนัยถ้าดำเนินตามทางที่พระพุทธเจ้าสอนนี้เอกว่าห์มากๆนี่แล้ต้องพ้นทุกข์กเป็นสนมัยนี้ส ม, มัย น, นี่คือการดําเนินอย่างนี้ต้องทุกข์ด้วยกันเราทํางานอะไรก็ต้องทุกข์เรียนหนังสือก็อทุกข์วันปฏิบัติงานก็ทุกข์เพระว่างานแผนกไหนต้องมีทุกข์อยู่นั่นด้วยเพราะการคำว่าทํางานนั้นต้องมีทุกข์ ไม่ใช่จะมีความทุกข์เฉพาะงานสมาธิงานภาวนางานศีลงานธรรมนีทุกเหมือนกันเราต้องเอามาแก้ตัวของเราไม่แก้ตัวเองผูกกับตัวเองแล้วไปไม่รอดนะรัดตัวขา่ารัดเข่ารัดเข่าไปไม่ได้เอนั่งเข่าทุกข์นอนเข่าทุกข์บนอยู่กับทุกข์แก้ทุกข์ไม่ได้แล้วไม่สนใจจะแก้ทุกข์เราจะเอาความสุขมาจากไหนบนก็เราเองนอนเฝ้าทุกข์ก็เราเองผู้สเสวยทุกข์ก็เราเองก็ไม่งั้นได้รับประโยชน์อะไรจากการบนไม่ทำ บนน้าต้องทําต้องแก่เพราะนั่นจะเป็นประโยชนศาสนาสอนให้แก้ไม่ใช่สอนให้คนผูกมัดตัวเองเรื่องความทุกข์ความท า, มาความทุกข์การปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนาก็คือทุกเพืวยจะแก้จะถอดจะถอนเสีย น, น้ําออกจากติดใจมันยังน้ําย่ อ, อข้อที่เท้าจะถอนน้ําออกถอนน้ําออกก็เก็บเพื่อเจ็บรากต่อให้มันจมกันอยู่นั่นจะเป็ น, น, นมันก็เลิกไปหมดเน่าไปหมด นั่นยังทำไม่เอาไลยว่าส่วนอื่นเสียไปอีกด้วยถ้าเราเห็นว่าการถอดถอนหนามออกนั้นเป็นความทุกข์และไม่กล้าถอดถอนเราจะปล่อยให้มันจมดีไหมจะเป็นยางไงถ้าต้องเอาเหตุผลเข้าไปจับทุกข์ก็จําต้องถอนต้องถอดไม่ถอนไม่ได้นั่นแ่ะทีนี้ก็ไยายามถอนเจ็บกถอนทุกข์ก็ถอนอแล้วใสยย่ยามันก็หา หายชื่อขณะที่ถอนเทานัน้ถ้าเราค่ะเราไม่ถอนโดยถือว่ามันเจ็บปวดแล้วมันจะจมเรื่องจะเป็นทุกขนน์นันหนนี่เรื่องกิเลสซึ่งเกี่ยวเหมือนกับน้ำยอกหัวใจเราก็เหมือนกันอย่างนี้การพยายามนี่เหมือนกับจะถอดถอนของน้าออกมามันต้องมีทุกข์บ้างระหว่างนีเราเป็นสิท์ที่มีครูเราเราก็ต้องทำแบบครูเราอย่าทำแบบเราแบบเรากิเลสอาสวะมันเป็นอาจารย์ สอนใหคนที่เกียดที่ค้านมากาง่อ่อนแอไม่กินไม่จังทําอะไรไม่ค่อยเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไม่มีเหตุมีผลเนี่ยเรื่องของกิเลสปัญหาอาาัตวะมันเป็นอาจารย์เป็นอย่างนี้นะแต่ใครมีอาจารย์นี่วางมาแล้วไปที่ไหนโอ้โหแม่มแมลงวันจะบินตามนะเราต้องระวังดีนะถ้าไม่ถ้าตัวมแมลงวันนะับปฏิบัติตัวให้หอมหวนมเป็นที่เชือ่อมโยของคนอื่นตัวเองก็ชื่นใจ ศาสนาเป็นของสะอาดสวยงามมากผู้ปฏิบัติศาสนาจึงเป็นคนที่มีความเข้มแข็งมีความอดทนมีความสะอาดทางกายทางวาฒนธรรหาทางกำเนีดไม่ได้ถ้าปฏิบัติให้ตรงตามหลักพุทธศาสนาเลยเนื้อธรรมศาสศาสนาเป็นของกางด้วยไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครโดยเฉพาะใครจะถือจิตไม่ได้เป็นสมบัติการเอาใครต้องการนะเอื้อมมือเข้าไป แต่ที่บัตรสมบัติที่เกิดเป็นผลจากการปฏิบัตินั้นจะเป็นของผู้นั้นโดยเฉพาะทีนใครจะมาแย่งชิงเอาไม่ได้ศาสนาจึงนของกล า, างเราเป็นผู้หวังความสูขความจเจริญเป็นผู้หวังพึ่งเราเองเรียกว่าอัตตาเหตุธนูนาโถตนต้เป็นผู้หวังพึ่งตนเองก็ต้องปฏิบัติตพึ่งผู้อก็พึ่งมาพอเพียง แต่เรื่องจิตใจนี้เป็นเรื่องตัวเองจะพึ่งตัวเองจริงๆหินวา้าสุดทานะ้ายแล้วเราจะคว้าอะไรทันคนเราเวลาจําเป็นคนกรอบเป็นมุมมาแล้วพา้าน้นคว้านี้ให้เราคิดให้ดีตอนนี้เราดูคนตกน้านําพอพอทราบได้เครื่องเครื่องเครียบเคียงกับคนจวนตัวเวลาติดอิวาราสุดทา้ายหรือเฉยไม่คว้านนคว้านี้พอตกน้ําปั๊บมักคา้าหรือคนจะตกบ้านตกเรือนีันคว้าว่าจะไม่มีอะไรติดมือแล้วก็ยอมตกไป พอคาบพวกนีม้ ม, มือต้องคว้าทันทีแล้วรื่รนจะหกล้มอย่างนี้เหมือนกันมันคว้าทันทีแต่ว่ามีอะไรติดมือมาพอเป็นที่เกาะที่ยึดที่เหนี่ยมมันก็ยอมหกล้มลงไปทันทีถ้ามีที่เกาะพอจะยึดได้แล้วไม่ยอมหกล้มคนเราคว้ า, วาจนได้นั่นหรือเฉยไม่คว้าน่ะเวลาจําเป็นมันต้องคว้าแต่ถ้าตกจากที่สูงก็คว้าจะกว่าพอ ติดอะไรก็ต้องติดอยู่ันเรามีอะไรจะเกาะติดมือก็ต้องยอมตกลงไ ป, ไปนี่จิตใจเวลาจําเป็นต้องหาที่เกาะนะมันเป็นจริงจริงเวลาสุดท้ายคือกายจะแต่เป็นไฟทั้งกองเลยในส่วนร่างกายส่วนบนส่วนล่ า, น า, งน า, งนางทางั้งซ้ายทั้งขวาทั้งทุกๆุกด้านทุกทิศ ท, ทุกทางเนี่ยมัดเข้าปหาจิตใจเนี่ยเราเรียกว่าส่วนย่อยส่วนใหญ่เป็นทุกทั้งนั้นเรียกว่าไฟทั้งกอง มีจิตก็หาที่เกาะที่ยึดเวลานั้นความดีของเราไม่ได้ทราบว่าเราจะเอาอะไราเป็นที่ยึดที่เกาะค้ า, าเราแต่ น, น้ําเหลวน้ําเหลวไปก็เหลว<อ>นี่แหละศาสนาสร้างขอให้คนสร้างนู้นสร้างตัวสร้างที่ยึดที่เกาะให้เป็นที่มั่นเลไว้เสียตั้งแต่บัดนี้น<อ>ดูคนตกน้ําก่อนนะตกน้ำคว้าแม่ที่กุด ภาผีไหลมาลอยมาบางท่านจะเป็นคนกลัวผีตอนนั้นไม่กลัวนะเพราะชีวิตมีคุณค่ามเป็นสิ่งสําคัญมากกว่าความกลัวผีต้องภาพประกอบภาพซะก่อนพอประทางชีวิตไปสักครู่หนึงก็ยังดีน่ะหาทียที่อาศัยที่รับรองชีวิตวิถีการชีวิตนะในจิตใจที่ได้รับการอบรมมาด้วยดีแล้ว จนเป็นที่แน่ใจแล้วไม่ควาสมองเสมอรู้ตามหลักความจริงธาอั น, นไหนหนักไปในทุกหนักน้อยเพียงไหลรู้รู้ตามความจิงถึงวาระก็แต่ก็ปล่อยให้แจ่ไปตามความจริงทั้งหมดไม่ไปขัดไปแย้งไม่ไปทําการขีดขวางปล่อยให้เป็นไปตามความจริงเวลาอ ย, ย่างนี้คิตอยู่ก็อยู่ไปถึงการที่จะไปก็ไปเพราะปัญญาได้หวัง รอดมาหมดแล้วเรื่งความเป็นอยู่ความสลายมีความแปรสภาพจนถึงกับสลายตัวจากสิ่งประส่วผสมของธาต<ม>ุปัญญาหวานรอดมาหมดน<ฮ>่ะศาสนาจริงๆสิ่งที่รบอบครอบเรียนศาสนาก็คือเรียนเรื่องของตัวเองทห้รูเรื่องปฏิบัติตัวเองให้ถูกศาสนาจริงๆของจาเป็นสำหรับเราทุกคนที่มีความนับถือชอบตนเองระหวังพึ่งตน ดำเนินให้ถึงที่แล้วอยู่ไหนก็บทบายไม่มีอาการเวลาสถานที่มึงกับจิตดวงนั้นจี่เรียกว่าอาการิโกในบทธรรมคุณท่านว่าอาการิโกเวลาเราแปรทั่วไปแล้วก็ว่าปฏิบัติเวลาไหนก็ได้ผลไม่ไรถ้าสายบ่ายเย็นทุกนี่ก็ยกให้ แต่ความถนัดจิตในการปฏิบัตินี่เป็นอีกเนี่ยปฏิบัติให้ถึงจิตถึงจีดถึงแดนแล้วนั้นเป็นอาการโกมีความบริสุทธิ์จำครตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เลือกว่าการนั่นสถานที่นี้ไม่ไมีเรียกว่าอาการโกเป็นความบริสุทิ์ตายตัวเป็นความพอตัวอย่างตายตัว เพราะฉะนั้นการสถานที่จึงไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับธรรมชาติที่พอตัวแล้วนงนี่แหละเป็นอาการวิโคในหลักธรรมชาติแท้ของธรรมะธรรมะที่แท้จริงก็คือจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่เป็นธรรมตั้งแท่งเอกจิตเอกธรรมธรรมแท่งเดียวจิตดงเดียวบริสุทธิ์เฉพาะใจดงเดียว เมื่อหมดความวิตกวิารย์มากับการเป็นการแตกไปการเตาสถานที่หนึ่งการอดีตอนาคตนไม่ยิ่งเพราะเห็นก็อมอีในปัจจุบันนม้หมดทุกอย่างสมบูรณ์ปัจจุบันนี้จะรอบขอบแล้วอดีตที่เป็นมาแล้วก็ผ่านแล้วอนาคตที่จะไปข้างหน้าก็คุ้นี้เป็นอยู่อย่างนี้แล้วอนาคตสถานที่การเวลาจะมีความสัำพัญอะไรยิ่งกว่าธรรมชาติที่เห็นอยู่ประจักษ์อย่านี้ คือความบริสุทธิ์นี้บริสุทธิ์อยู่ไหนเราบริสุทธิ์วันพรุ่งนี้ก็บริสุทธิ์เดือนหน้าปีหน้าก็บริสุทธิ์เห็นอยู่ น, นี่เรียนตัวให้รู้เรียนเรื่องของตัวเราสบายถ้ายังไม่รู้ยุ่งนะยุ่งมากน้อยตามความไม่รู้เท่หถ้ารู้เขาจริงๆแล้วไม่ยุ่งศาสนาไม่ใช่เป็นตุกตาเครื่องเล่นของเด็กพอจะ เอาชาตินู้นแกเอาชาตินี้นะเห็นปัจจุบันอันนั้นเป็นผลพลอยได้จากความดีของตนเองที่ทําแต่ปัจจุบันเป็นอันดับแรกครัผู้ปัจจุบันจะต้องเห็นประจกรักษ์ใจนี่เป็นอันดับแรกไปที่ไหนก็เห็นถ้าผู้นี้เห็นตัวเรื่องของตัวเองอยู่แล้วไอยู่สถานที่ไหนก็เห็นเหมือนในพบใดชาติไหนก็ดีท่าใจดนะีแต่ถ้าบริสุทธิ์แล้วไม่เกิด นันีก็กำเนิดธาตุขันธ์ซึ่งเป็นพาราอันเนี้ยถ้าเกิดถ้าจะเอาความตายมาแับไหนความทุกข์ก็มีข้างหน้ากิจชาติปะเพื่อยังมีจะ่ผู้ไม่เกิดขันธ์จะเอาทุกข์มาจากไหน ท, ที่เกิดไม่มีเป็นธรรมทั้งแผ่นตามพันธุกรรมถึงมันกุมกวนเขาจะตีเพียมกันนี้